50 languages. 68สิใหญ่เล็กชอตวัดใหญ่และเล็กชอ a ้าอวัดช้างตัวใหญ่ ह าทีว ड ดดาหุ่นดะเหหนูตัวเล็กจูฮาทชอต้หุ่นดะเหมืดและสว่างฮันเอราอัตย์โรชนีตอนกลางคืนมืดรา त รีฮันเรีหุ่นดีตอนกลางวันสว่างเด न น् र क ाกาชมานหุ่นด แก่ชราหนุ่มสาวบุรุษบุ ด, ดีบุรดดีอัตจวานคุณปู่คุณตาของเราแก่มากสาดีดาดาจีบอธบุรีฮันเจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่มสตั๊ร์าลไปล้วโอวีจวาน สวยและน่าเกลียดสุนเดร์อเทกรูปผีเสื้อสวยติตลีสุนเดร์หุนดีเะแมงมุมน่าเกลียดมักคดีครูปหุนดีเอะอ้วนและผอมมोต้ามอตีมอเตอเทพัทลาพัทลีพัทเล ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนร้กิโลวอลีออลรัตมดีหุนดีเหรผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอมปัญจาหกิโลวัลลาอัดมีพัตลาหุ่นตาเหรแพงและถูกเมงกาอัติสัตตารถราคาแพง ग ถเก๋งแพงอยู่หนึ่งหนังสือพิมพ์ราคาถูกขाา स สารถ ह กต้อง